เรื่องคุณแห่งกรมจะต้องตอบยังจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์แต่ตอนนี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้จ้ของเคสตัดดี เหนื่อยไหมจ๊ะคนดีลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มีความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นอย่างมากและขณะ น, นี้ผู้ที่เป็นที่รักของลูกก็ได้ตายไปแล้วจะได้มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นจนทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความสะพรึงกลัว โดยเหตุนี้ลูกจึงขอส่งเรื่องราวนี้มาเป็นเคสที่นีดังตอบไปนี้ครับโอ้น่าสะพรึงกลัวนะพ่อกับแม่มีลูกด้วกกันสองคนแต่ลูกคนที่สองตายตั้งแต่อยุได้เจ็ดวันจึงเหลือแต่ลูกเพียงคนเดียวข อ, องลูกเป็นชาวนาที่ขยันใจบุญแต่คุณพ่อมีชีวิตที่ตายจากพี่น้องคนอื่นของท่านคือพ่อ ไม่ได้รับการแบ่งมรดกเหมือนพี่น้องคนอื่นๆเลยอืมเรื่องนี้ก็มีเหตุนะจ๊ะพ่อป่วยแล้วก็เสียชีวิตตอนลู ก, กอายุได้หกขวบค่ะซึ่งลูกก็ไม่ทราบพ่อป่วยเป็นอะไรนับตั้งแต่วันที่พ่ อ, อลูกตายพอพ่อตายปั๊บแม่ของลูกก็ได้ถูกไล่ออกจากบ้านอย่างไม่มีคใครใจดีรด้อยญาติทางฝ่ายพ่อ กลัวว่าแม่กับลูกจะมีส่วนในสมบัติของตระกูลเขานี่ไม่เจ้าว่า<อ>ถ้าไม่มีบุญลองรับนี่นะสมบัติเห็นจะจะอย่างงี้นะแค่จะได้เท่านั้นเองทำให้พวกเราต้องหอบก้าวของหนีกันออกมาโด<อ>ยที่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่ที่ ท, ที่ไหนกันสภาพของเราตอนนั้นทำให้ท่านเจ้าอาวาสวัดหนึ่ง เกิดความสงสารจรึงอนุญาตให้แม่ของลูกไปตัดไม้ไผ่ที่ล้อมเป็นโรัววัดเอามาต่อเป็นกระต๊อบอยู่ไปก่อนได้อยู่บารรณศาลาได้อยู่อาสระมหนึ่งในขณะเดียวกันนั้นแม่ก็ได้ไปหาน้องเขยเจราจาขอเช่าทีนาไว้ไถนาทำกินื่อเลี้ยงลูกนับแต่นั้นมาลูกซึ่งอายุเพียงหกขวบ ก็ต้องฝึกล่างกายให้แข็งแรงก็ต้องตกระกรรมลำบากมากต้องทำานาเหงื่อส้มกายทมกลางเปลวแดดและลมฝนนักใครไหนก็ต้องสู้เพราะเราไม่มีทางเลือกที่ว่าเราไม่ใช่อะไรเป็นเคสของคนใกล้ๆ <S <S <S <S อมันคุ้นกัน นำซ้ำยังต้องไปกู้นี่ยืมสินเขาเพราะเราไม่มีเงินกันเลยพอเก็บเกี่ยวขายข้าวได้ถึงค่อยเอาไปใช้เขาลูกเหนื่อยตั้งแต่เล็กจนโตเป็นสาวแข็งแรงที่เดียวลําบากจนคิดมากนี่บางคนบอกเอ๊ะจะรวยไปทำไมลงมาเป็นอย่างนี้บางทีจะแล้วจะตอบคำถามได้ว่าเราจาเป็นต้องรวยนี่ลาบากจนคิดมาก และก็คิดหาทางออกแบบชาวบ้านคือถ้<ะ>าไมเก่งยังเนอหาผู้ช่ว ย, วย <Okay. S 1> คือคิดจะหาไอ้นมบ้านนาสักคนสเปคก็คือต้องขยันนะและก็อึดอดมาช่วยการทำนาผ่อนแรงแบกภาระซึ่งฉะนั้นก็มีนมบ้านนาหลายคน มาติดพันลูกนะพอลูกตองนั้นก็ไม่เบาเหมือนกันนะแต่ลูกเองก็มีสเปคในใจว่าลูกจะเลือกเฉพาะคนที่ข ย, ยันสู้งานอดทนนั้นนั้นคือเอาประเภทติดทำงานทุกอย่างได้ลูกถึงจะยอมแต่งด้วยจนในที่สุดลูกก็ได้เจอเนื้อคู่ได้เลือกผู้ชายคนหนึ่ง ที่เขามีคุณสมบัติดังกล่าวแต่พอเราตกลงจะแต่งงานกันจริงๆแม่ของทางฝ่ายชายกลับไม่ชอบลูกขอามากๆนี่ยังกันในละครเลยนะและสั่งไม่ให้ลูกชายแต่งกับลูกราะลูกมันจนกว่าเขามากพี่เอกยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมแฟนลูกไม่ยอมและก็ไปยืนยันกับแม่ของเขาว่า แต่งเพรา ะ, ร, ะรักลูกจริงๆเราจะแต่งงานกับลูกให้ได้แม่พระเอกว่าไงไม่ยอมแล้วไหนที่สุดละ่ะหนที่สุดยอมไหมในทีสุดยอมให้เราแต่งงานกันแต่หลังจากแต่งงานกันแล้วแม่สามีเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะนะคือรักลูกอืกกนี่ทำไมเก่งจังเลยเนี่ย คือเขให้ความรักและเมตตากับลูกมากประดุจลกตัวเองขัดสนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีทุกอย่างจะลูกทราบซึ่งและรักท่านเช่นกันรักเพราะขยันนี่แต่ชีวิตของลูกไม่จบลงง่ายๆแบบนางเอก น, นหนังไม่เหมือนรักลงแดงไม่แบบนางเอก น, นหนังรักลงแดงหรอกคะ่ะ เพราะชีวิตหลังแน่งงานได้กลับมีปัญหาลุ่มเรากันมาทุกด้านแ oh. ต้งแต่ <laughs> ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นต้องทำงานเยอะและลำบากมากขึ้น oh. น, นึกว่าแต่งแล้วจะสบายนะเพราะต้องเลี้ยงลูกที่คลอดออกมาอีกหลายคนยิ่งไปกว่านั้นคือสามีของลูกเกิดมามีอาการทางประสาทย่างรุนแรงเห็น oh. ไหมอจารย์ในวิบากกรรมมันมามันไม่บอกใครเลยเนี่ย มาตอนไหนก็ไม่บอกคือเขาจะอารวาสเอตโรโวยวายด่าลูกสารพัดผู้คนเสียหายอย่างอย่างชนิดคุมไม่อยู่เหมือนคนสติไม่ดีแต่จะวิบากกลัมมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคู่ของเราเนี่หรือใครก็ตามไม่รู้เลยเระเบิดเวลาไ่อยู่ในตัวทุกคนน้ำซ้ำบางทียั่งถือยาวกว่านั้น ดาวยากษดาบถูกต้องจก้กเอ๊ะไมเก่งอย่างเลยเนาะยังถือควานโนควานี่เป็นเกตวิ่งเข้ามามันคุ้นกันเลยคำเยอะ <c oughs> ปีนขึ้นมาจะทำร้ายร่างกายลูกลูกก็หนีแต่ก็ <c oughs> แต่ก็ให้ <c oughs> ให้อภยัอภยเขาค่ะแล้วลูกเองก็ <c oughs> รักเขา แต่ก็รู้ว่าเขาทำไปเพราะไม่มีสติลูกก็ได้พาเขาไปหาหมอ <Okay. S 1> หมอก็ให้กินยาคุมอาการไปตลอดเวลาแต่ยาก็ช่วยระ ง, งับอาการเขาไม่ได้เป็นบักพักคือหลุดทุกทีหลุดทุกประโยคเลยกาเขียนไม่หลุดไม่รู้ทำไงนะพอยาหมดฤทธิ์ก็อาการเกิดขึ้นแต่บางทีก็เหมือนปกติ แต่เวลาปกติดิก็คุยกันรู้เรื่องในขณะนั้นชีวิตลูกก็เปลี่ยนจากเดิมที่ตาดักทำทำนานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่เพียงแค่ น, นั้นต้องมาเลี้ยงสามีเลีเ้ยงลูกอีกสามคนด้วยตัวเองอีกทั้งฐางนะครอบครัวก็ฝืดเครืองกันเรื่อ ย, อยมีปัญหาทะเละเบาแวงกันญาติพี่น้องกันเองอย่างหนักจนลูกโดนไล่ที่ทํากินปัญหาทุกอย่างประเดประดังมาหมดเลยเนี่ย ภาระความรับผิดชอบทุกอย่างก็ตกมาอยู่ที่ลูกเพียงคนเดียวตอนนั้นลูกมีความทุกข์มากจนคิดถามตัวเองว่าทำไมแต่ลูกก็ยังพอมีบุญอยู่บ้างที่ลูกตอบตัวเองได้ว่าที่เราลำบากขนาดนี้ก็เป็นเพราะเราทำบุญมาน้อยนี่มีดวงัิญญาณที่จะลูกจึงคิดว่าเราต้องทำบุญแล้วจึงได้ภาวนานในใจว่าน่าจะมีพระดีด วัดดีๆสักแห่งหนึ่งเอาไว้ให้เราได้มาทำบุญนะซึ่งบุญบรรดาอย่างไรก <g ülme> ็ <g ülme> ไม่สาบกันแต่ว่าขอทำบุญก่อนต่อมาลูกก็ได้ข่าวว่าจะมีการส ร, ร้างสูมพุทธิจักรปฏิบัติธรรมแถาตํมนลรคลองสามอําเบรคลองหลวงรู้จักไหมะะลูกดีใจมากแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญตั้งแต่วันขุดดินก้อนแรก<า>ในการส ร, ร้างวัดพระธรรมกาย หลวกเดชมาพ่อประเด็บคุณหลวงพ่อกำลังนั่งทำพิธีอยู่บนกองฟางท่นะามกลางทุ่งนาฟ้าโ ล, ล่งรับกับเกิดความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาในใจคือวัดนี้แหละที่จะเป็นวัดดีมีพระ ด, ดีให้เรามาทำบุญจากนั้นไม่นานนักลูกก็หาเท่าอาหารที่เช่านาใหม่ได้ที่ตำบลคลองสามใกล้วัดแต่นั้นลูกยังหอ บ, บครอบครัวย้ายมาทานาที่นี่ทันที แล้วก็เป็นโอกาสที่ทําให้ลูกได้มาทำบุญที่วัดนี้โดยไม่ตกหล่นเลยสักบุญเดียวลูกช่ยสร้างโบสถ์คัดหินจัดดอกไม้ช่วยงานครัวของคุณยายอาจารย์จัดเตรียมพัตาหารเก็บกวาดซักล้างถอนหญ้าอย่างสมบุกสมบันเรียกได้ว่าทำเกือบทุกอย่างจะลูล้รู้สึกว่าวัดนี้เป็นทั้งหมดของชีวิตกว่าดได้ลูกเดียวฟังเทศของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง แล้วที่ลูกประทับใจที่สุดคือพระเดบกุณหลวงพ่อธรรมเจโย <Yeah. S 1> บอกให้ลูกรับศีลห้าลูกจึงเรียนถามหลวงพ่อตรงตรงว่าคนจนๆจนจนอย่างลูก <Yeah. S 1> จะรักศีลห้าได้หรือเจ้าคะหลวงพ่อตอบลูกว่าได้ละศีลไม่ทางมาแห่งโภกซัสั์ <Yeah. S 1> แล้วก็ให้ศีลแก่ลูกซึ่งนับจากวันนั้นมาลูกก็ได้เปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยมีศีลเลย มาเป็นคนที่มีศีลอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งทุกวันนี้<า>แล้วก็ยังได้ชักนำลูกๆทุกคนเข้าวัดทำบุญตั้งแต่เล็กจนกระทั่งปัจจุบันอีกด้วยค่ะ<า>ซึ่งหลังจากลูกเข้าวัดแล้วชีวิตลูกก็ดีขึ้นตามลําดับถึงแม้จะลําบากสักปานใดก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเมตตาสงสารลูกเสมอแม้จะของที่นาที่ลูกเจ่าเขาอยู่ก็เมตตา ย, ยกบ้านสองชั้นของเขาที่ตั้งอยู่บนที่นาให้ลูก ฟ, ฟรีๆทั้งหลังเลย จึงไม่เหตุให้ลูกไม่ต้องอยู่กระตอบอีกต่อไปอืมเธอย้ายจากบรรดศาลาขึ้นกรหราษเลยแต่ต่อมาไม่นานนักสามีของลูกซึ่งมีอาการทางภาษาก็ได้ล้มป่วยเป็นอมัมพาตสุขภาพก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆจนกระทั่งนอนตายไปเฉยๆโดยพิธีไม่มีใครรู้เพราะทุกคนคิดว่าเขาหลับไปหลังจากนั้นลูกก็ได้จัดพิธีสวดศพที่บ้านเจวันซึ่งระหว่างเจ็วันนี้เองเหตุการณ์กับปกติดีทุกอย่าง แต่พอวันที่8ดนี้สิคะเกิดเหี้ยนอะไรกันไปทราบหลังจากเก็บกระโดดกลับมาบ้านลูกสาวก็ได้พูดกับพ่ อ, อเขาว่าป๋ากลับมาบ้านกับเรากันนะลูกสาวชวนและประมาณหกโมงเย็นของวันนั้นขณะที่ลูกกําลังดํานาอยู่ลูกกใจสันสันอย่างไรก็บอกไม่ถูกพกึ่งกันแล้วสักครู่ก็ได้กลิ่นฉุนเหมือนดอกซ่อนกลิ่นอมมองไป ร, บรอบ บรรยากาศมันวังเวงยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกมันวังเวงชอบกลนลูกรู้สึกว่าเขาจะต้องมาอยู่กัไลลูกแน่แน่แต่ว่าจะมาทาไมลูกรู้สึกวังเวงขึ้นมาในใจเงแต่กนขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงฉันนะเดี๋ยวฉันดำนาเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแล้วละ่ะส่วนเธอก็ ให้ไปที่ไหนจ๊ะไปที่ดีๆให้ไปบูชาเจดีซะ อ, ะอเพราะตอนนี้หกโมงเย็นแล้วโอ้โหมาถามกันตอนหกโมงเย็นเขาก็ลังจะมีการบูชาเจดีที่วัดกันออแล้วก็ให้ไปดูองค์พระที่เจดีสร้างไว้ให้เนี่ยแล้วก็ไปหาหลวงพ่อเถอะอย่าดื้อนัคนดี ไ้่ให้มันได้อย่างงี้แต่เหตุการณ์ยังไม่จบเพียงแค่นี้สิคะในหัวข่าวันนั้นตามบ้านเพื่อนสนิทสายมีทุกบ้านมีแต่เสียงหมาเห่าหอนอยางโหยหวนยางไรกระบอกไม่ถูกหอนมาตามลำดับจนกระทั่ง ม, มาถึงบ้านลูกหมาที่บ้านไม่หอนแต่เกิดกระดิกหางระลิกรลิอยากล้อเหมือนมีใครเข้ามาใบ้าน ลูกก็มองไปตามแต่ก็ไม่เห็นมีใครแต่เห็นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้านอื่นก็ยังหอนอยู่หรือบ้านเดียวกันนั้นไม่หอนจนลูกๆร้องถามว่าแ ม, พมา่พ่อมาไหนว่าครบเจ็วันแล้วป่าจะไปแล้วไงล่ะแล้วไงไปอย่างนี้คั้นพอตกดึกปิดไฟนอน กคนต่างมานอนเรียงกันเป็นตับโดยความรักกันดเดียวนอนติดกันเป็นพลึดไปเลยโดยมีลูกๆสามคนมีน้องชายสามีตัวลูกเองหทันใดนั่นเองอยู่ๆลูกสาวของลูกคนหนึ่งก็ดิ้นพลัดพลาดเหมือนมีร่างใหญ่ๆดำทะมึนมาทับที่ตัวอึดอัดบอบไม่ถูกก็เลยอึด อ, อ, อ, อ, อึกอัก จนต้องลุกขึ้นพอสักครู่ยังไม่ทันะไรพอลูกหายอึดอัดและหายอึกอักอาการนี้ก็มาเกิดขึ้นกับกน้องชายของสามีที่นอนอยู่ในห้องนั้นด้วยไฟก็ดับลูกให้ชัวจึงรีบลุกขึ้นไปเปิดไฟทันทีพอไฟสว่างเพึบอาการนี่ก็สงบไปครู่หนึ่งพอทุกคนหมอไปที่ร่างน้องชายเขา ปรากว่าเขาทำตาของขวางแล้วเสียงก็เปลี่ยนไปโภตโกรด่าขึ้นอย่างนั้นนะ่ะตัวยาวๆน้ำๆก็ได้ขึ้นมันบอกก็ได้ขึ้นต้นไม้ก็ได้มีลิ้นสองแจก ค, คล้ายๆตะเค้แต่ว่ามันเล็กกว่าคำนี้เองทุกคนตก็ปากใจเชื่อั น, นทีว่าใช่เลย<อ>สามีลูกเขาเสียงน้องชายเขาจริงๆแล้วแหละ เพราะนั่นคือคำประจำตัวของเขาจากนั้นเขาก็เอาแต่ดา่าเราว่าพวกเราแบบไม่รู้เรื่องเหมือนกับตอนที่เขามีชีวิตอยู่ไม่มีผิดเลยซึ่งลูกก็ได้แต่บอกเขาว่าเออตายไปแล้วก็โน่นโน่นไปหาหลวงพ่อเถอะแล้วลูกก็พยายามเรียกน้องชายเขาได้สติะฉนนั้นเราโอโลเวงแล้วหวาดกลัวจะไม่ได้หลับได้นอนกันเลย วัดลงคืตัวลูกและสมาชิกในครอบครัวอยู่กันไม่ติดแล้วค่ร <Okay. S 1> ีบมาวัดทําบุญให้เขาและกราบรายงานเรื่องนี้ให้กับพระเดมคุณหลวงพ่อฟังทํ <Okay. S 1> าให้คืนต่อมาเหตุการณ์นี้ก็ได้สงบลง oh. แม่ลูกเป็นคนใจบุญมากแต่ชอบกินมาก <c oughs> บรรปลายชีวิตท่านตายดีเราดีสัน้นรวมสีเลอายุได้ 7% จปีค่ะแม่สามีขงลูกเป็นคนชอบทําบุญด้วยของดีๆนะทําทีละไรเยอะๆ ซึ่งท่านรักลูกมากเหมือนเป็นลูกของตัวเองก่อนตายท่านได้เลี้ยงข้าวลูกปล่อยลูกไปทา9 เ, เรียกไปทานข้าวก่อนเที่ยงเพราะว่าท่านรู้ว่าลูกถือศีลแปลจะนั่งท่านกำังไปพูดจาอีกเลยเสียชีวิตยอย่างสงบด้วยวัย77ปีเช่นเดียวกันคําถามอุ ป, รปรกรรมใดทําให้พ่ อ, องลูกไม่ได้รับมรดก ท, ทั้งังๆในพี่น้องคนอื่นมีมรดกมากมายพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบนทิวทิศไหมคะ อุปรกรรมใดลูกต้องมาเป็นชาวนาะมีความลาบากมาตั้งแต่เล็กและต้องโดนไล่ออกจากบ้านพร้อมแม่และโดนไล่ที่ทำกินจนต้องย้ายมาเช่าที่ดินที่คลองสามบุญใดที่จะของนาะยกบ้านให้ลูกเฉยๆแต่บ้านก็ยังตั้งอยู่บนผืนนาที่ลูกชาวเขาอยู่และลูกทำบุญมาแบบไหนแม้มีที่ทำกินแต่ก็ต้องเป็นที่ดินที่ต้องเชาวเขา บุพกรรมใดลูกต้องมาถึงต้องมาเลี้ยงดูสามีที่เป็นโรคประสาทและขัดขวางการเข้าวัดของลูกคะบุพกรรมใดทําให้สามีลูกเป็นโรคประสาทและเป็นอำมาตหลังจากเก็บกระดูกแล้วลูกสาวลูกพูดกับพ้องเขาว่าป๋ากลับมาบ้างของเรากันนะเขาได้ยินไหมคะและเขาทําอย่างไรบ้างเขาได้มาหาลูกติดท้ทองนาและตามบ้านเพื่อนสนิทจริงไหมคะทําไมตกกลางดึกเขาถึงพยายามเข้าสิงลูกสาว แต่กลับเข้าสิงไม่ได้แต่ไปเข้าสิงน้องชายของเขาได้เข้าเข้าสิงแล้วเขาอารวาสเพื่ออะไรคะทําไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดในวันที่8หลังจากที่เขาเสียชีวิตแต่เจ็ดวันแรกหลังจากที่เขาตายเหตุการณ์ในบ้านปกติทุกอย่างคําถามว่าเขาไปทําอะไรที่ไหนในช่วงเจดวันตอนนี้สามีองลูกไปอยู่ที่ไหนโลกทำบุญให้เขาเขาได้รับไหมคะ เป็นอย่างไรแล้วมีอะไรอยากฝากบอกลูกไหมคะขาร้ตัวไหมครับว่าเขาตอนนี้ตายแล้วแม่ลูกตายแล้วเป็นไหนเป็นอย่างไรท่านได้รับบุญที่ติตไปให้ไหมคะการกินหมางท่านเป็นบาปไหมคะจะมีผลเหมือนการสูบบุหรีหรือไม่ทำไมก่อนแต่งงานแม่สามีถึงไม่ชอบลูกเลยแต่ว่าเมื่อแต่งงานแล้วแม่สามีกลับรักลูกมากคะ่ะท่านตายแล้วไปไหน เป็นอย่างไรได้รับบุญเทวดาทิพไปให้ไหมคะบุญใดที่ลูกได้มีบ้านและที่นาอยู่ใกล้วัดได้ไปเจอหมู่คณะตั้งแต่เริ่มสร้างวัดแล้วก็ได้สร้างบุญอย่างเข้มข้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ลูกแล้วลูกลูกทุกคนคอยสร้างบา ร, รมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรคอยเข้าถึงพระธรรมกายไหมคะมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมลูกๆของลูกมีบุญมากพอที่จะโดยกว่าตัวลูกไหมคะ จำคาถามและเรื่องราวได้ไหมจ๊ะจได้ครับหลับตาฟันเป็นตัวเนตาเตืนขึ้นม า, ามนทีแล้วก็นำมาไลฟ์ฟังเปในใ็นนิยายประปรบรากันจ้ะพ่ อ, องลูกไม่ได้รับบรดกเหมือนพี่ๆน้องๆเพรา ะ, ะเราฟังมาหลายเคสละได้ดีทําทานมันน้อย อิเทนในชาติเดียวกันนั้นได้เป็นลูกคนโตเมื่อพ่อแม่ตายแล้วก็จัดการแบ่งมรดกให้น้องๆแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งที่ชอบขัดใจตนเองเรื่อยๆเลยมีอกติไม่ให้มรดกแก่น้องคนนั้นวิบากรรมนี้มาส่งผลทําให้พ่อของลูกไม่ได้รับมรดกเหมือนพี่ๆน้องๆจ้ารวยชาติเดียวตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเทวาระดับทั่วไป ในหมู่บ้านพมเทวาแห่งหนึ่งต่อมาก็ได้รับบุญที่โยติไปให้จึงทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งในช่วงแรกอดอยากเพราะไม่ค่อยได้ทําทานจ้าลูกต้องมาเป็นชาวนาลําลบากตั้งแต่เล็กๆและเดินไล่ออกจากบ้านพร้อมแม่โดนไล่ที่ทํากินจะต้องย้ายมาเช่าที่ดินที่คลองสามพระชาแนอดีอืม ตัวลูกเองเป็นเศรษฐีมีที่ดินมากได้เคยไล่ลูกนาออกไปจากที่ของตนเพราะไม่ได้จ่ายค่าเช่าอีกถ้ามีความประมาทในการดำเนินชีวิตตรรนีไม่ค่อยได้ทำทานวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะนี่เจ้าของแคสเนีเอดีคนเคยรวยนะเศรษฐีเห็นไยเจ้าชีวิตเราฟังมาหลายเรื่องแล้วเนี่ย นี่ก็เป็นเรื่องที่เท่าไห ร, ร่นะเจ้า800เศษเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวจนเดี๋ยวมีเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเงิเเนสลับกันไปอยู่เรื่อยๆชาติไหนประมาทในการดําเนินชีวิตอาชาติตะเบิดจนพอขนขวายในการแสวงบุญอกลับมารวยใหม่สลับกันอยู่ในเรื่อชีวิตในสังสารวัฏเจ้าของนายกบ้านให้เฉยๆแต่บ้านยังตั้งอยู่ในที่นาเช่าเพราะ แน่ดีตัวลูกในชาติที่เป็นเศรษฐีเขายังได้ช่วยเหลือญาติยากจนหมดเนื้อหมดตัวให้มาอยู่ในที่ดินของตัวบนนี้จึงทําให้เจ้าของนายกบ้านใหายเฉยแต่ไม่ได้ทําบุญด้วยที่ดินและเพียงให้ญาติที่ลําบากยากจนอาศัยอยู่ในที่ดินของตัวชั่วคราวเท่านั้นล่ะจึงทำให้ชาตินี้แม้มีที่ทํากินแต่ก็ต้องเป็นที่ดินที่เช่าเขาจ่ายลูกต้องมาเลี้ยงดูสามีที่เป็นโรค ป, ประสาท และขัดขวางการเข้าวัดของลูกเพราะแนด่ดีก่อนตัวลูกเข้ามาสู่มูขคณะได้มีสามีที่เล่าแต่ไม่ใช่สามีคนปัจจุบันนี้นะจ๊ะชาตินี้นตัวลูกชอบทำกับแกล้มและซื้อเหล้ามาให้สามีดื่มที่บ้านเพราะไมอยา้ายสามีไปดื่มนอกบ้านวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ลูกต้ามาเลี้ยงดูสามีที่มีอาการทางประสาทจ้ะ อีทั้งก่อนเข้ามาสู่หมู่คณะในชาตินั้นลูกก็ยังไม่เข้าใจเรื่องบุญจึงมักห้ามคนที่จะมาทําบุญกับหมู่คณนนะเพราะเสียดายสมบัติแทนคนอื่นเขามาส่งผลจะ<อ>เสียดายสมบัติของเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยไอ <c oughs> ความตระหนี่นี่มันบังคับอย่างนั้นสามีลูกเป็นโรคประสาทและอัมาพาตเพราะกําเนิดชอบดื่มสุราเมามเหล้วมักอารวา และกำมัดขาสัตว์เพื่อส่งขายเขาข่าและข่าขายเองบ้างวิบากกำนังกราวนมรรมส่งผลจ้าหลังจากเก็บกระดูกสามีแล้วลูกสาวลูกผูกกระพ อ, องเขาว่าป๋ากลาไปบ้านของเรานะสามีของลูกได้ยินจ้ะราะว่าเมื่อเขาตายแล้วกายละเอียดกันเขายังเบลอๆอยู่เพราะวิบากกรมันยังไม่หมด มันติดไปถึงกายละเอียดยังเบลออยู่ได้เดินตามลูกๆและครอบครัวมาไปไหนไปด้วยเออไปไหนฉันไปด้วยและเขาก็ได้ไปหาตัวลูกที่ท้องน่ะและตามบ้านเพื่อนสนิทจริงๆเพื่อพยายามจะสื่อสารกับทุกคนแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจจ้ะพราะตกลางนึกก็ได้พยายามเข้าสิงลูกสาวแต่เข้าไม่ได้ แล้วไปเข้าสิงน้องชายของเขาแทนเพราะเขาอยากจะสื่อสารกับทุกคนแต่การเรียกก็ยังเบลอๆ อ, อ, อยู่และไม่อาจไปสิงลูกสาวได้เพราะลูกสาวมีบุญกว่าจึงได้ไปเข้าสิงน้องชายขเขาแทนเพราะมีบุญกรรมใกล้เคียงกันเข้าสิงแล้วอรวัตเพรายังมีอาการประสาทอยู่โดยวิบา ก, กรรมสุราที่ยังมากอยู่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่แปภหลังจากที่เขาตายแล้วเพราะเจวันแรกเนี่ยเขายังเบลอเลออยู่ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรแต่ก็พอรู้เรื่องบ้างแบบคนมีอาการทางประสาทมลุก ษ, ษาเขาพูดดังกล่าวเขาก็เดินตามมาพอวันที่แปดภายหลังจากตายแล้วกายเหรียญเขาก็เปลี่ยนจากกายสัมภเวสีเบล อ, บลอมาเป็นภูมิมเทวาชั้นล่าง ที่ยังมีกรรมสุราอยู่จึงเข้าสิกได้คือดีขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งผูมิเทวะชั้นล่างที่ยังมีกรรมสุราอยู่ในี่จ้าคือดีกว่ากายละเอียดที่เป็นสัมเวสีหน่อยหนึ่งสามีตายแล้วตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจึงทําเอการทางประสาทหายไปได้ไปเป็นภูมิเทวา ระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยไปเป็นบริวารของเจ้าหน้าที่เขตเขตแถวคลองสรู้จักคลองสบอรู้จักคลอง3ามหนึ่งสองหนึ่งสองตอนนี้ไปเป็นบริวารเจ้าหน้าที่เขตเขตแถวคลอง31มหนึ ซึ่งก็ยังแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนที่บ้านอยู่เป็นระยะระยะแต่ก็ไม่ได้มารบกวนอะไรมาด้วยความรักพระเา น, นการปราสาทหายไปแล้วเขาฝากบอกมาว่าดาริ้งให้ทำบุญทิพย์ไปให้เขาบ่อยๆเราตอนนี้เขาเข้าใจเรื่องบุญดีขึ้นแล้วเพราะเจ้าหน้าทีเขตที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้อบรมสั่งสอนเขา <c oughs> ตอนนี้เขาดูเรียบร้อย และติมติมขึ้นติมขึ้นเยอะเลย oh. ต่างจากตอนเป็นมนุษย์มากจ้ะ oh. เวลานั่งรถเข็นมาหาครูผูใหญ่ตอนเป็นมนุษย์นี่ด <Okay. S 1> วงตา ย, ยังจ้อง <c oughs> ดีที่ไม่พูดตอนนี้ติมติมแม่งรู้ตายแล้วไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองขนาดกลางของชั้นดาวดึงเฟสสามได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา ได้รับบุญเทวทิพย์ให้แล้วก็ยิ่งทําให้ท่านมีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าการกินมา ก, ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรเพรียงแต่ว่ามันสปกปรกแล้วก็เป็นเครื่องกังวลใจทําให้เป็นภาระต้องหอบไปเรื่อยหอบหมากหอบที่บ้วนหมากเชี่ยนหมากขอบสส่วนการสุบรีนั้นเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นจึงมีวิบากกรรมจ้า กอนแต่งงานแม่สามีไม่ชอบลูกเลยแต่เมื่อแต่งงานแล้วแม่สามีกลับรักลูกมากเพราะตอนแรกท่านเห็นว่าลูกยากจนกระลังเกียจแต่ต่อมาความดีของลูกในหลายๆด้านซึ่งหาไม่ได้ง่ายจากสะพายคนอื่นจึงหันกลับมารักลูกมาเป็นเหตุปัจจุบันไม่มีวิบากกรรมเก่าเจ้าท่านตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟศสาม ได้บุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาวิมานทองใหญ่กว่าแม่ลูกนิดหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วทําให้ทํานมีทิพย์ยาสมบัติมากขึ้นจ้ะนี่แม่สามีกับสามีตายเป็นมนุษย์เป็นแม่ลูกกันแต่ตายแล้วไปคนลทิศคนทางด้วยการกระทําของตนตอนที่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละจ้ะลูกได้มีบ้านและที่นาอยู่ใกล้วัดได้มาเจอบางคนน่าตั้งแต่สร้างวัด แล้วก็ได้สร้างบุญอย่างเข้มข้นมาจนถึงปัจจุบันเพราะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นทิดาเศรษฐีมีทรัพย์มากมีความสะดวกสบายแต่แต่ยังเด็กได้รับการตามใจจากท่านบิดามารดาเป็นคนุณหนูเป็นสุขุมารชาติจึงท้ายมีนิสัยเย่อหยิ่งถือตัวขี้งุดหิด เอาแต่ใจตนเองทำอย่างนี้จนกระทั่งบิดามันดาตายเนี่ย <Whoa. S 1> ตายเองนะ oh. ท่านหมดอายุไข oh. เป็นอย่างนี้จนท่านบิดามันดาตาย oh. ก็ได้รับม ร, รดกใช้ใจม ร, รดกอย่างฟุ่มเฟือย oh. จนต่อมาเปลี่ยนหานะ <laughs> จากทิดาเศรษฐี oh. กลายมาเป็นเศรษฐี จากเศรษฐีก็กลายมาเป็นยาจก <Whoa. S 1> เพราะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย <Whoa. S 1> ไม่รู้จักหาแต่รู้จักการใช้อย่างเดียว <Okay. S 1> ตอนมาเมื่อพระภิกษุที่ถูกมุคณะส่งไปเผยแผ่อย่างแคว้นนั้น hmm. อยู่อีกแคว้นหนึ่ง <Whoa. S 1> ก็ได้ทำหน้าที่เป็นกะละไลมิตรให้แก่ลูกซึ่งหมดตัวแล้ว <c oughs> เธอหมดตัวแล้ว <c oughs> ลูกก็ได้ทำบุญอย่างตามมีตามเกิด <Whoa. S 1> ตอนมีก็ไปทา แต่มีอารมณ์ทำตอนมก่อนจะมีแล้วก็อธิษฐานจิตว่าสาธุชาติต่อไปขอให้ได้มาเจอหมู่คณะเร็วๆให้ได้อยู่ใกล้ลจะได้อยู่ไกลต่างแขว้นเลยแล้วขอให้สร้างบุญอย่างเข้มข้นต่อเนื่องโดยการอธิษฐานในชาตินั้นจึงทำให้ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะตั้งแต่เบื้องต้นจ้ะสาธุาแล้วก็ได้มาอยู่ใกล้ๆ กับวัดแต่ไม่ค่อยจะมีทานบารมีมาทําไปตอนเมื่อค่อยจะมีแล้วเนะี่ยบุญยังได้นิดๆลูกและลูกๆทุกคนสร้างบารมีกหมู่คณะมาก็เป็นกองสเสบียงมาหลายชาติแต่ชาติบัลลังกมาตอนตัวลูกแก่และหมดตัวแล้วได้ไปตามญาติญาติมาสร้างบารมีกหมู่คณะญาติญาติที่มาสร้างบารมีกหมู่คณะก็คือลูกทุกคนในชาตินี้เลยจ้ะเสียด้ทําทานม า, มามากกว่าตัวลูกในชาตินั้นจ้ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเขามีมากกว่าลูกเขาก็จะมีโอกาสรวยมากกว่าลูกจ้ะมีผลการปฏิบัติธรรมอมที่พอได้ดวงเลยเห็นองค์พระในระดับกุศลนิมิตรพอประคองเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ า, านี่มาจากดุสิตบุรีเลยนะก่อนลงมาเล็งเห็นยอดแหลมๆนึกภาษาราชวัง กลายเป็นกองฟังแล้วมาเป็นลูกชาวนานี่มาจากติดสูงนะนี่ชาตินี้มาจอกแรกตัก้งใจสร้างบรมิให้เต็มที่ในทุกบุญแล้ติดฐานจิตตามติดไปดูวสิทิบรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิษัต์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสัต๊ดดี้สั้นๆเลยจ้า